แก่บริษัทที่เขามารับซื้อแล้วก็หลวงพ่อเดินทางไปทางหนองคายอีกมเมื่อวานก็ไปเห็นทุกตามลายทางที่มีป่ายางเขาก็ขายกันหลวงพ่อเห็นเลยกับภาคภูมิใจอย่างมากคือในภาคอีสานของเราลูกหลานของเราได้ขายยางได้ขายเศษยางได้ขายแผ่นยางแหมแค่ว่าถ้าจะว่าไปคือพวกเราเดินมาถูกทางแล้วอยางราคาก็แพงพอสมควร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 นี่แหละหมู่บ้านทุกวะหมู่บ้านก็เมือนกันนะหลวงพ่ออยากจะให้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะถ้าว่าพวกเราช่วยเป็นหูเป็นตาให้แก่บ้านเมืองให้เป็นหูเป็นตาให้แก่ชุมชนของพวกเราครอบครัวของเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขท้วนหน้ากันนะอันนี้ก็คือบอกกล่าวหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า อ, อบายจมุกเหตุเครื่องจีพายพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อย่างนั้นนะหลวงพ่อก็ได้นา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 สู่ศีลธรรมเลยทีนีออ่อย่าไปพึดด่งในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ่าลูกหลานนะเน้อศีลธรรมคนดีนั่นคืออะไรพระพุทธเจ้าว่าศีลห้านี่แหละเป็นคนดีเน อ, อเป็นผู้มีน้ำใจมีน้ำใจก็คือมีทานะเน อ, อมีทานะก็คือคนยินดีในการทำทานในการเสียสละเมื่อเราได้ทรัพย์สมบัติมาแล้วบางส่วนเราก็ควรจะแบ่งปันให้พ่อให้แม่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 พระเจ้าพ ม, มาทัศน์ของราชสมบัติอยู่ในกรุงพารานสีนะใท่านพูดเป็นนิทา น, นเพื่อให้พวกเราจําได้ง่ายนะเจนี้ท่านมีนักปราจุผู้หนึ่งนักปราชก็คือเป็นถ้าจะเปรียบเทียบทุกวันก็คือโกงจะเป็นองค์ข้ามณฑรีนะมั่งนะเป็นผู้กล่าวแนะนําสั่งสอนว่าสิ่งไหนสิ่งนั้นควรไม่ควรอย่างไรทีนี้ปราจที่เปนผู้แนะนําสั่งสอนพระราชาท่านก็ให้แนวความคิดให้ธรรมะ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 และตอนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรขอให้พวกเราทุกฐานทุกคนนะอุทิศ ส, ส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงสาคนายาิยันมิตรหายของพวกเรา